ลองดูนะคนไหนที่เ อ, อเข้าใจแล้วก็ลองมาพูดให้ฟังก่อนเนาะ เ, ออเพื่อจะได้ต่อยอดเข้าไปอีกพวกนี้บางทีเรารู้แค่นี้แต่พอได้รับการต่อยอดเนี่มันจะขยับขยับขยับไงมันมีเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่แล้วก็สิ่งไหนที่เข้าใจแล้วก็โอเคผ่านและเข้าใจแล้วแล้วก็มีสิ่งที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันจะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ก็เรียกว่ามันยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอนะ่ะนั แต่ตรงต้องประเด็นเรื่องแยกเนี่ยต้องแยกให้เป็นไม่แยกไม่เป็นในเสร็จเลยนะมันมันทําไม่ได้แยก่ยงไปแยกมาจนกระทั่งพบพบธรรมชาติรู้ไม่ได้นี่ยหลวงพ่อยกกระยันอย่า ง, า ง, างมันในสภาพแวดล้อมที่หลวงพ่ออยู่นะ่โยมลองฟังดูนะมันมีอะไรจะหลวงพ่อจะแยกให้ดูส่วนเสียงเสียงกบเขียดมันร้องนะกบเขียดมันร้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเพราะว่าธรรมะเนี่ยจริงๆมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ก็มีหลายอย่าง อ่ากบเขียดร้องอย่างหนึ่งแล้วตัวหลวงพ่อที่ยืนอยู่ในห้องเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้หลวงพ่อพูดแบบรวมๆนะอ่าะ <S <S แล้วก็อันนี้เป็นสองอย่างเลยนะอืมทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเทียบกันแล้วบอกว่าแล้วอะไรละมารู้มา ร, มารู้ว่ามีมีมีเสียงกบเขียดแล้วอะไรละมารู้หลวงพ่อเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นคําถามขึ้นมามันต้องมีรู้นอนถ้าไม่มีรู้แล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามีเสียงแล้วก็มีตัวเราใช่ไหมนี่แสดงว่ามีรู้แล้ว แต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าอ๋อไอ้ที่รู้อันนี้ยสมมติว่าบอกว่าเออมันเป็นวิญญาณทางหูอ่าสมมติพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเห็นไหมมันก็มีตัวพูดอีกตัวหนึ่งแล้วตัวพูดที่พูดว่าอ๋ออันนี้มันเป็นวิญญาณทางหูเห็นไหมมีกี่ตัวหลวงพ่อนับตัวหนึ่งมีก็มีเคียดร้องสองมีตัวเราสามมีตัวที่พูดได้ก็เ น, นี่ยหลวงพ่ อ, พอกําลังพูดอยู่เนี่ยพูดไดอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมอีกตัวหนึ่งอ่าแล้วทีนี้พอฟังไปฟังมาอีก มันก็อาจจะรู้ไปความลำคาญเนี่ยมันก็ต้องมีใช่ไหมถ้าไม่มีไอตัวรู้ความลำคาญเราจะรู้ได้ไงว่าลำคาญอ่านี่แสดงว่าไอาตัวรู้เนี่ยมันต้องมีทีนี้โยมลองคิดดูนะมันจะคิดลอกลองพิจารณาตามว่าเออนี่เนาะนี่ถ้ามันไม่มีตัวรู้ไม่มีธาตุถ้าไม่มีแปลว่าไม่ธาตุธรรมชาตินี้ไม่มีสภาพที่ทำหน้าที่รู้นยต่อเขียบร้องก็จะไม่รู้ ต่อให้หลวงพ่ออยู่ตรงนี้ก็ก็ไม่รู้ต่อให้คิดก็ไม่รู้เพราะนั้นธรรมชาติรู้เนี่ยอมจับทางได้หรือยังว่าเออเนาะมันทําหน้าที่รู้มันไม่ได้ทําหน้าที่ร้องมันไม่ได้ทําหน้าที่ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือโกรธหรือรักอะไรไม่มีแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็เลยรู้เอาแล้วทีนี้เอาพอเขียดดับไปแล้วเนี่ยทําไมมันรู้ได้ว่าดับไปแล้วอะ่ะเอ้านี่แสดงว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันรู้ถึงการเกิดของเตียง แล้วก็พอเสียงดับมันก็รู้ถึงการเกิดความดับของเสียงเออแสดงว่าเสียงมันมีแล้วมันหมดแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันหมดไปกับเสียงหรือเปล่าอา้าวก็ทีนี้ถ้ า, ถาใหม่มันก็กลายเป็นตัวคิดตัวใหม่อีกใช่ไหมแต่ตรงคําถามนี่แหละมันก็เป็นความคิดอันใหม่ถามขึ้นมาไอ้ตัวรู้มันก็รู้อีกว่าอ่าถามอีกแล้วแล้วก็ถามมันก็รู้แล้วว่าอยุด อย่างในหลาตัวรู้เนี่ยไปเริ่มรู้เป็นตาสับปะรดไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มรู้ต่อไปเนี่ยรู้มากมมันก็เป็นเ雷达ใช่ไหมเป็น雷达เป็นร达ก็หมายความว่ามันรอบรู้รอบรู้ต่อสภาวะรู้ข้างนอกก็ได้รู้ข้างในก็ได้รู้ระหว่างกลางก็ได้อ่ามันมีรู้จริงทีนี้เรามาเทียบที่ว่าไอ้รู้เนี่ยในเมื่อเท่าที่พูดมาทั้งหมดยังไม่รู้เลยว่าตัวรู้อยู่ตัวไหนตัวรู้มันเป็นอะไรลักษณะหน้าตาเป็นยังไงรู้ไม่ได้ไง เพราะว่ามันเป็นตัวรู้นี่อะไรไปรู้มันได้เหรอใช่ไหมถ้าไอตัวรู้ถ้าไอตัวรู้เนี่ยมันไปถูกรู้เข้ามันก็ไม่ใช่รู้แล้วสิมันก็เป็นสิ่งถูกรู้เพราะนั้นไอตัวรู้จริงๆอ่ะมันไม่มีตัวนะและเป็นสภาพธรรมะที่มันพ้นจากทุกอย่างนะเพราะว่ามันไม่อาจจะถูกรู้ได้เรา<อ>ปฏิบัติธรรมบางครั้งเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งถูกรู้อยู่หลวงพ่อบอกว่า ถ้าธรรมชติรู้แท้ไม่อาจจะเป็นสิ่งถูกรู้ได้เลยถ้ามันเป็นสิ่งถูกรู้มันก็ไม่ใช่รู้เพราะมันเป็นสิ่งถูกรู้เพราะนั้นธรรมชาติรู้คือได้แต่รู้ไม่อาจจะเอาอาณาักนะไหนไปรู้ได้เพราะฉะนั้นจึงมันเป็นธรรมชาติที่เขาเรียกว่าเป็นหลุดนะหลุดจากความปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งใดเป็นสิ่งถูกรู้เป็นสังขารทั้งหมดแล้วก็สิ่งนั้นต้องเกิดต้องดับแต่ธรรมชาติ ที่เป็นธรรมชาติแท้ทธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยไม่อาจจะสิ่งเป็นสิ่งถูกรู้ได้เลยเขาจึงเรียกว่าเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมแล้วก็พ้นไปจากความปรุงแต่งนั่นหมายความว่าพ้นไปจากทุกความปรุงแต่งทั้งหลายมันเป็นมีทุกข์อยู่ในตัวใช่ไหมความปรุงแต่งทั้งหลายคือเป็นอนิจจังและก็ทุกขังแล้วก็อนัตตาแต่ธรรมชาติรู้แท้เนี่ยไม่อยู่ภายใต้ของกฎอนิจจังทุกขังแต่อนัตตาเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวตนเหมือนกัน แต่ว่ามันไม่มีสภาพความเปลี่ยนแปลงนะไม่มีสภาพเป็นอนิจจังไม่มีสภาพเป็นทุกขังเพราะมันไม่ปรากฏเนี่ยไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏแต่มันมีความรู้ทีนี้โยมนึกได้หรือยังว่าไอ้ธรรมชาติเนี้ยมันหาไม่เจอแต่มันเข้าใจด้วยปัญญาได้ว่าปัญญาจากที่หลวงพ่อเล่ามานี่แหละที่มันไปรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็รู้ถึงการเกิดการดับตรงเนี้ก็จะเข้าใจได้ด้วยปัญญาว่า ธรรมชาติรู้เนี่ยถึงมันปรากฏแต่มันก็มีอยู่จริงเพราะว่าถ้าไม่มีอยู่จริงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้นะคือปัญญาเนี่ยได้แต่รับเข้าใจได้รู้ได้ว่ามันมีอยู่แต่มีอย่างันปรากฏนะทีนี้พอตรงนี้เราจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่ปฏิบัติทำเกือบตายนี่ที่จะให้พ้นทุกเนี่ยมันจะพ้นตรงไหน มันพ้นตรงเนี่ยไอความธรรมชาติที่มันไม่ทุกข์แล้วก็มีอยู่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะตระรู้หรือไม่ตระรู้แต่ธรรมชาติที่พ้นทุกข์เนี่ยที่ไม่เป็นทุกข์เลยเนี่ยมีอยู่ส่วนธรรมชาติปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยที่มันมีทุกข์ในตัวของมันมันก็มีอยู่ไอความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นสังขารเกิดดับความรู้สึกความเป็นเราเนี่ยมันก็หลอกล่อให้เป็นเราแต่จริงๆมันก็คือความคิดหรือเป็นความรู้สึกมันก็เกิดดับ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้รอบอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เพียงแต่รู้อะไรปรากฏขึ้นก็แค่รู้แค่รู้แล้วก็รู้ด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นความหลุดพ้นสถานเดียวหลุดพ้นจากความบงการเนี่ยการปฏิบัติมันก็ต้องแบบนี้แหละประมาณอย่างนี้คือต้องเข้าใจในเรื่องของสังขารทั้งหลายนะแล้วก็สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ไชตนไม่ใช่เราแล้วก็พอต่อมามีปัญญาถึงขั้นรู้จัก สิ่งที่เป็นวิสังขาร น, นะคือไม่สังขารก็รู้อีกว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราอ่าก็จบแล้วไม่มีตัวไม่มีตนนั่นะถ้ามันถูกหลอกเมื่อไหร่ก็รู้ทันแล้วบอกหลอกก็รู้จักแล้วคือสังขารเทนานั้นเองเนี่ยมันพ้นทุกได้ในปัจจุบันเลยเนี่ยถ้าเข้าใจรอบๆแบบนี้จริงๆไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติหรือเข้าใจธรรมะมามกมายนัเนาะ แต่ว่าหลังจากมาฟังหลวงพ่อเนี่ยที่ว่าให้รู้สติแด่แล้วก็เข้าใจในในในธรรมะง่ายๆของหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือคือคื อ, คอเหมือนเหมือนกระถูกปิดกั้นว่าเราปฏิบัติไม่ได้ต้องนั่งสมาธิต้องทำนู่นทำนี่ตามที่ครูบาอาจารย์ไทยให้ทำอพอหลวงพ่อบอกว่ า, วา เราต้องเราแค่ว่ารู้สติรู้ตัวเองเองว่าเราทําเราทําได้แต่ให้รู้ตัวเท่านั้นเองเราก็ผมก็เลยเข้าใจว่ารู้สติรู้ตัวเองแล้วกพ็พ่อก็ให้ให้ให้ตัวอย่างมาอย่างเราได้ฐานที่ว่าจะไปเป็นลูกศิษย์ให้ไปฆ่านกแล้วก็ ให้ไปแบบฟางแรกไอตัวอย่า ง, งต่างๆของหลวงพ่อเนี่ยทำให้เข้าใจเยอะขึ้นเข้ามาฟังหลวงพ่อเข้าไปฟังย้อนหลังหลายๆตอนของหลวงพ่อเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นเพียงระยะเวลาอย่างที่คุณนุ้ยนบอกว่าสองเดือนสองเดือนกว่าเข้าใจเยอะขึ้นจากที่เหมือนกับว่าตัวเองถูกปิดกั้น ก็เลยครับพอมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นแต่บอกว่าตัวเองก็ก็ก็อาจจะเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถูกถูกตัวเองหลอกก็มีเวลาสำหรับให้ให้กับทํรมะให้กับกับการฟังก็เข้าใจมากขึ้นหลงไปบ้างเพียงเพราะว่าช่วงเวลามันอาจจะน้อยไปหน่อย ก็ก็กราบขอพระคุณหลวงพ่อมากแ้วก็หลวงพ่อที่ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตหนึ่งผู้ทุกสัตว์ทุกนามแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าเออสิ่งสูงสุดของพุทธะหรือของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนกับผมเองนั้นตั้งแต่เด็กจนโตมีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนาคือทางออกจากทุกข์แต่ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีตรงนี้ เป็นเราไปหาวิธีการโดยเฉพาะใครบอกว่าอาจารย์นี้ดีก็ไปเรียนใครบอกว่าวิธีนี้สั้นและตรงก็ไปเรียนมันกลายเป็นว่าเราไปเรียนสิ่งทุกอย่างในในโลกใบนี้คือเหมือนใครบอกว่าสิ่งนี้ดีไปเรียนสิ่งที่ดีเพราะว่าไม่มีใครหรอกครับที่บอกว่าสิ่งไม่ดีแล้วก็อยากจะไปเรียนสิ่งไม่ดีแต่ด้วยกิเลสตัณหาก็พาไปเรียนสิ่งไม่ดีแต่ว่านี้เรารู้อยู่ว่าพระพุศา ส, สนานี้เป็นของดีและเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ก็เลยตัดสินใจไปเรียนวิชาความรู้สึกตัวตั้งแต่วัยเยาว์ตั้งแต่วัชยมปลายนะครับตั้งแต่มอสี่แต่ว่าการเรียนตรงนั้นก็มีประโยชน์มหาศาลในแง่ที่ว่าแทนที่ในนักเรียนวัยเดียวกันมปลายจะต้องวิ็นเด็กที่วัยรุ่นที่เกเรหรือว่าสนุกสนานตามวัยเพื่อนแต่ก็กลับมารู้จักความรู้สึกตัวซึ่งสมัยนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่ความรู้สึกตัวตรงนี้ครับพอฝึกไปแล้วฝึกไป ไ, ปไปฝึกฝึกเรื่อยๆก็จะพบว่า S <S มันจะเห็นความต่างระหว่างความรู้สึกตัวกับความคิดและเริ่มเห็นว่าขณะที่ยกมือสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะนั้นนะครับมันมีเราคิดแล้วก็มันมีความรู้สึกตัวอย่างน้อยๆที่สุดไม่เคยเห็นภาวะนี้เลยว่าไอความรู้สึกตัวนี้มันจะสัมพันธ์กับความคิดถ้าวันถ้าไหนความรู้สึกตัวน้อยแสดงคิดมากถ้าขนาดที่คิดมากความรู้สึกตัวน้อย <S <S <S ก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้เล็กเชื่อ ค, คําครูบาอาจารย์เพราะว่าคารูบาอาจารย์บอกว่า ถ้าปฏิบัติมากทํามากมันจะหลุดพ้นจากความคิดแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะคิดน้อยจนจนในสมัยนั้นคิดว่าจะหยุดคิดในที่สุดคือพูดง่ายว่าปฏิบัติความรู้สึกตัวจนให้แนบแน่นแล้วเดี๋ยวความรู้สึกตัวจะเข้ามาแทนที่จนความคิดน้อยลงไม่มีเลยซึ่งภาษาเด็กอนะครับก็ทําอย่างขยันขันแข็ง พอทําไปทําไปทํานานจากนานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีในระหว่างนั้นก็มีครูบาอาจารย์ใครว่าดียังไงก็ปฏิบัติตามที่เขาบอกเขาบอกว่าอาจารย์นี้ดีก็ไปทําแล้วก็เห็นจริยาวัตดของอาจารย์ที่ดูยกมือทั้งวีทั้งวันแล้วก็องค์งดงามมากสั้นฉันน้อยกินน้อยอยู่สมาถะนั่งไม่คุยกับใครเพราะสมาถิเรียบร้อยดีคือดูแต่คนอื่นนะครับดูแต่อาจารย์อื่นแล้วก็ดูแล้วก็ยกมือสร้างจังหวะตั้งแต่เด็กแล้วเยาวชนพานักเรียนเยาวชนไป ไปร่วมกิจกรรมค่ายในการยกมือปฏิบัติเข้มขน้นจนมือวันหนึ่งมีอาจารย์ผู้หนึ่งมาสอนว่าถ้าเธอเดินมากเธอรู้มากขนาดนี้แต่ถ้าเธอเดินมากกว่านี้จะขนาดไหนคราวนี้ด้วยโลภะเลยครับเดินแบบทั้งวันทั้งคืนว่าหนุ่มๆอยู่วัยประมาณยี่สิบหรืออายุเท่าไหร่นี้น้อยๆผมไม่หลับเลยครับเดินเป็นวันเป็นคืนเดินทั้งวันทั้งคืนเพราะอาจารย์บอกว่าทําน้อยได้น้อยทํามากได้มากทํามากกว่านี้จะดีกว่านี้แน่นอน ผมเดินเป็นวันเป็นคืนเลยครับไม่หลับไม่นอนอาจารย์แบอบกว่าต้องต้องฝ่าฟันให้ได้ให้ให้ข้าให้ข้ามามคืนข้ามวันกันเลยลอาจารย์ผมก็สอนว่า เ, ออเดินอย่างนี้ให้มันถึงที่สุดจนผมทราบมาตอนหลังว่าผมมันเดินจนเป็นลมไปเลยครับหลับแบบว่าเออกว่าจะคืนเป็นลมหมดสติไปเลยครับเดินมากไปนั้นคือฝึกมาจนระดับหนึ่งแล้วก็พอฝึกต่อไปนะครับ มันก็แค่เห็นมันแค่มีอยู่เส้นทางนี้ครับฟอมไปถึงที่สุดมันแค่แค่แค่เป็นเราทาแล้วก็เป็นลักษณะที่เรารู้สึกตัวแล้วเราเราได้ความรู้สึกตัวเยอะๆเราเราได้เห็นความคิดว่าเราสลัดความคิดไปน้อยน้อยลงน้อยลงครูบาอญาณบอกว่าเหมือนแมวไม่ต้องไปทำอะไรนะถ้าความรู้สึกตัวเป็นแมวความคิดเป็นหนูการจเจริญสติคือให้อาหารแมวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวแมวจะโตคราวนี้ทาเยอะเลยครับทาจนว่า จนคิดว่าเออเราคิดว่าเราน่าจะบรรลุบ้างแล้วนะครับตอนที่ทำนั้นเพราะว่าทำมาหลายสิบปียี 20, ่สิบสามสิบปีจนมีความรู้สึกว่าเวลาเดินไปไหนทำกิจการงานต่างๆที่ละเอียดฉี่ยิบไม่ว่าจะเป็นการอยู่ที่เงียบๆคนเดียวหรือที่หมู่ชนมากๆก็ครึ่งนิ้วกับทิฟตากื่นน้ำลายทำหมดแล้วนะครับจนมีวันหนึ่งได้มีโอกาสไปฟัง เรื่องอริธรรมอริธรรมบอกว่าขณะที่เราแม้แต่เพียงเล็กน้อยแม้เพียงครึ่งนิ้วหรือว่าเออกระพริบตาก็เป็นเราอยู่ที่พยายามทําตรงจุดนั้นคราวนี้ผมทิ้งเลยครับเห็นว่าเออยังเป็นเราอยู่เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราคราวนี้พอเจอของใหม่ทิ้งเลยครับของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าขณะนี้เห็นเป็นเห็นเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นธรรมะเห็นเป็นเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดดับแต่ละขณะไม่ซ้ํากันอีกเลย คือมันจะติดในคําพูดที่เป็นลักษณะของคําของพระพุทธเจ้าอะครับแต่พอทําไปทํามาทํามาทําไปนั้นก็ก็มีความรู้สึกอยู่อย่างนี้แหละว่าเออมก็เป็นเรานะครับมันเป็นเรารู้เราเรารู้เรื่องจิตเรารู้เรื่องเจตสิทแล้วอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วไม่เป็นเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นเราก่อนแต่ต้องฟังไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งไม่เป็นเราก็มีความคาดหวังแล้วรอคอยว่าอีกนานแค่ไหน เน้อจะเป็นไม่มีเราจนมาวันหนึ่งน้องเขาส่งข้อมาส่งคลิปอาจารย์ออสมานี่ครับแล้วแล้วประกอบกับที่อาจารย์ออสนั้นครับได้แสดงให้เห็นว่าขณะที่กําลังดูอะไรสักอย่างนึ้นครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วและขณะที่เราก็เห็นอยู่ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เห็นพออาจารย์บอกว่าขณะที่เห็นเนี่ยเราเห็นสิ่งหนึ่งเห็นที่เห็นกําแพงกําแพงเป็นสิ่งที่ถูกเห็น ก็เราเคยได้ยินมาจากที่ทำว่าสิ่งที่ถูกเห็นกับสิ่งที่เห็นมันคนละอย่างกันอย่างร้านเปอร์เซนต์เลยครับไม่ใช่ร้อยเปอรเซนดังนั้นเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งพอจำตรงนี้ได้ก็พบว่าเออที่อาจารย์พูดนี้ใช่เลยอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ถูกเห็นจะเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แล้วก็มาไต่ตรองว่าเออถ้าเรากลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นล่ะครับถ้าถ้าเรากลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นเสียแล้วมันก็ไม่มีเราพอมันเก็ตอย่างนี้เลยนะครับมันเหมือน มันเหมือนกับชีวิตใหม่เลยครับเพราะมันก็รู้อยู่ว่าเออเห็นสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นมันคนละอย่างพูดโดยความจริงเลยครับขณะที่เห็นกําแพงกับเราเห็นมันคนละอย่างหลวงพ่อออสเคยพูดว่าเห็นหมาไม่ใช่เราเป็นหมาที่อะครับก็ผมก็ขําแล้วก็มีความสูกว่าโอ้นี้มาสัตย์จะทำจริงๆว่าเราเห็นอะไรไม่ใช่เราเป็นอย่างนานเห็นเราเห็นอย่างไรนี่ครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจผิดว่าอืมเหมือนเหมือนกับว่าที่ที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะ เสิไรต่างๆส่วนใหญ่เราเห็นอะไรเราก็จะเป็นอย่างที่เห็นแต่ว่าจริงๆเราไม่รู้ว่าขณะที่เราเห็นนั้นมันเป็นคนละอย่างกาันพอเข้าใจอย่างนี้นะครับท่านอาจารย์อ๋อก็เมตตาอีกว่าเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยครับที่เราบอกว่าเราเห็นเราเห็นนะั้นแท้จริงแล้วนะครับมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาเห็นเราคราวนี้ผมก็เก็ตเลยเพราะวิเพราะเคยฝึกมาจากวิธีการที่เคยฝึกของหลวงพ่อเทียนแต่ว่ามีครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะอีกทีว่า ถ้าเห็นแบบนั้นยังไม่ใช่รู้สึกตัวที่ทำแบบรู้สึกตัวแบบที่ผ่านมานครับมันจะต้องมีมีตัวมารู้เราอีกทีหนึง่งคือถึงจึถึงจะรู้สึกตัวถูกต้องผมก็มาเดินเห็นหุ่นเหมือนกับเราเป็นหุ่นจะเดินไปไหนเห็นแต่หุ่นตัวนี้ครับไม่ไปไหนแต่ว่ามันขาดครูบาอาจารย์พอมันขาดครูบาอาจารย์มันทิ้งช่วงเลยเลยเลยเล ย, เลยพับเก็บมันได้ไม่สนใจมันแต่ว่าในขณะที่ตอนนั้นไม่ได้ฝึกของหลวงพ่อเทียนอยู่นะครับ เวลาเวลาฟังธรรมหรือเวลาไปไหนมาไหนนั้นสภาพที่เคยฝึกมามันมันก็ยังมันยังทรงสภาวะนั้นหมายหมายความว่าเวลาเดินไปไหนมันจะรู้สึกที่เท้าที่แขนที่ขามันมันเหมือนมันมันมันเหมือนอยู่ในสายเลือดแล้วมันทิ้งไม่ได้เลยครับแต่ว่ามันมันไม่คาดหวังว่าจะทําไปเพื่ออะไรหรือไม่คาดหวังที่อยากจะเอาอะไรจากการฝึกแต่ว่ามันเป็นการเดินเหินไปไหนมาไหนมันรู้ว่ามันมันรู้ที่เท้ามันรู้ที่การเคลื่อนไหวทั้งบอดี้ทั้งรทั้งตัวเลยครับแต่ว่า พครูบาอาจารย์หนนอาจารย์ออสมาชี้แนะตรงนี้ทำให้เห็นความจริงอีกว่าสิ่งที่ถูกเห็นนี่ครับมันเป็นขันห้ามันเป็นสังขารและสิ่งที่ถูกเห็นทั้งมวลนี่ครับมันไม่ใช่เราคือคือสิ่งที่ถูกเห็นทั้งมวลนี้มันเป็นสังขารแล้วก็สังขารทั้งหลายที่เราบอกว่าเป็นเราเป็นเรานี่ครับมันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และมันเป็นอนัตตาทาให้เคยทาให้เข้าใจลึกลงไปอีกว่า มันมีสองภาคคือภาคหนึ่งที่เป็นสังขารและอีกภาคหนึ่งคือวิสังขารคือสภาพที่ไม่ปรุงแต่งตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนกับว่าเออชีวิตที่เป็นไปเหมือนพูดทุกวันนี้เป็ น, ปนสังขารพูดหมดเลยครับในขณะที่พูดอยู่ก็รู้ว่าเป็นสังขารแต่ว่าเออเราก็ห้ามมันไม่ได้มันปล่อยมันเิ็นไปตามหน้าที่ของมันในขณะเดียวกันนั้นวิสังขารหรือว่าตัวสภาพธรรมชาติรู้ก็จะรู้ทุกอย่าง ดังนั้นก็แม้ว่าจะมีความเดือดร้อนวิตกกังวลหรือหงุดหงิดหรือลำคารหรือกลัวโควิดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของสังขารซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปยับยังย้งอะไรของสังขารได้ทําให้ชีวิต ท, ที่เหลืออยู่มันเป็นประโยชน์มากครับหลวงพ่อก็คือในแง่ที่ว่าเราสามารถเข้าใจธรรมะที่มันเป็นภาพรวมของธรรมะทั้งหมดซึ่งแต่แต่ก่อนนั้นเป็นการเรียนแบบจิก๊กซอที่รายละเอียดทุกปทุการทุกขั้นตอน มึงผมเรียนนี่เรียนนู่นเรียนนั่นเรียนนี่เป็นผมเรียนแม้แต่สมัยก่อนที่ผมเรียนนั้นเขาถามว่าเห็นมีจริงไหมผมก็ตอบบอกว่าเห็นมีจริงแล้วเห็นเป็นธรรมะไหมเห็นเป็นธรรมะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเหมือนเหมือนเรียนแบบถามตอบถามตอบเหมือนกับเรียนทั่วไปที่เขาเรียนกันในตามประถมมัธยมบุดรศึกษาแต่การเรียนที่หลวงพ่อถามนั้นคําถามหลงพ่อมันอัศจรรย์ที่ว่าขณะที่รู้อย่างนี้ใครรู้ แล้วก็ผมก็จะตอบหลวงพ่อเลยว่าผมรู้แล้วผมผมตอบว่าผมรู้แล้วหลวงพ่อก็จะถามอีกว่าแล้วใครมารู้ผมซึ่งคําว่าใครมารู้ผมนี่ผมออกไม่ได้ทุกทีเพราะว่าไอตัวที่ผมมัน ม, มีตัวมันไม่ไม่มีปรากฏดังนั้นผมก็มีความเข้าใจลงไปอีกว่านี่เองนะที่บอกว่าผู้ใดที่เข้าใจพระธรรมแล้วเนี่ยมันจะมันจะละความสงสัยในความเป็นเรา ไม่ใช่ว่าละความสงสัยในเรื่องอื่นหมายถึงว่าคำถามถามได้ทุกอย่างเลยจะถามอะไรแต่ว่าความสงสัยในความเป็นเราไม่มีแล้วเพราะว่าตัวเราถูกรู้เสียแล้วมันไม่มีเราเสียแล้วมันจะสงสัยในความเป็นเราอีกทำไมตั้งแต่นั้นมาผมก็ก็มีความเข้าใจแบบแจ่มแจ้งเลยว่าเออนี่นะครับพอเข้าใจแล้วมันจะไม่กลับไปไม่เข้าใจอีกแล้วมันเหมือนคนที่เรียนคนที่ทำข้อสอบได้รือเข้าใจอาจารย์สอนแล้ว ในข้อนั้นมันจะไม่กลับไปสงสัยอีกเลยครับกลับขอบพระคุณหลวงพ่อครับอ่าสาธุนะแล้วก็อีกหน่อยหนึ่งก็คืออ่าช่วยขยายต่อนะว่าเมื่อเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะออกจากทุกข์ยังไงเออขยายเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจตัวถึงกันว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันมันถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือว่ามันพ้นทุกข์จริงอะ่ะมันพ้นยังไงขยายความ กร่บวคำว่าคุณหลวงพ่อครับคําว่าทุกนี้คือสภาพธรรมะที่เป็นสังข า, า, ารขันหรือตัวขันห้าที่เราเคยรู้กันมาว่าทุกขคือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวทุกขแต่ถ้าเข้าใจตรงนี้ว่าเป็นสังขา น, นั้นครับและเป็นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เสียหมดแล้วนี่ครับมันไม่มีเราเสียแล้วนี่ครับมันจะทุกตรงไหนมันก็พ้นจากสังขารแล้วมันก็ไม่ทุกดังนั้นเนี่ยครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่ถูกรู้ที่เราเห็นทุกวันนี้ครับเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยเป็นสังขารหมดเลยคําว่าพ้นสังขารนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีสังขารคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าพ้นคือไม่มีสังขารวันก่อนมีโทรมาหลังใหม่ด้วยว่าพี่พี่หนูสงสัยจังคำว่าคําว่าคําว่าพ้นสังขารหรือคําว่าคําว่าจิตจิตพุทธะหรืออะไรนี่หนูก็สงสัยมากเดี๋ยววันหลังหนูค่อมาถามลวงพร่อคือมันเหมือนมีสองจิตหรอคือจิตที่เป็น จิตที่เป็นวิญญาณขันธ์หรือว่าจิตพุทธะนี่มันเป็นจิตเดียวกันไหมคือคนส่วนใหญ่จะสงสัยประเด็ดนนี้และอันที่สองก็คือว่ามันพ้นสังขารคือมันไม่มีสังขารอยู่อีกเลยเหรอผมก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าธรรมชาติของชีวิตนั้นมันมีที่เป็นสังขารและเป็นวิสังขารดาบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ครับมีมีกายมีใจมันก็มีสังขารหมดแต่ว่าคําว่าพ้นสังขารคือมีแต่ว่าไอความรู้ความเข้าใจใหม่หรือปัญญานั้นครับ มันจะพ้นจากสิ่งเหล่า น, นี้เลยคือเหมือนมีก็เหมือนไม่มีเช่นว่าขณะนี้มีเราพูดแต่พอความเข้าใจใหม่เกิดขึ้นมาว่าไอเราถูกรู้ไม่ใช่เราเสียแล้วมันหลุดเลยครับที่แต่ก่อนเคยสงสัยว่ามันไม่มันไม่เป็นเราได้ยังไงเวลเราพูดมันไม่เป็นเราได้ยังไงเราคิดมันไม่ได้มันไม่เป็นเรายัางไงเพราะเรากระทาทุกอย่างแต่มันไม่เป็นเราเพราะเราถูกรู้พอมีความเข้าใจนี้นะครับ ไม่ต้องพูดเลยเรื่องความเป็นเราความไม่เป็นเรามันหลุดมันหลุดกระจุยกระจายหมดเลยครับมันเหมือนความเข้าใจไปแทนที่ทําให้เกิดความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนอุปมาเหมือนว่าสมัยก่อนมันมีแต่ความมืดไปไหนไปไหน้าไหนมืดหมดแต่พอมีความสว่างแล้วไม่ต้องไปไล่ความมืดความมืดมันก็ไม่มีพราสว่างแล้วพรความสว่างไปแทนที่ความมืดแล้วในขณะเดียวกันพอมีความเข้าใจในเรื่องสสังขารมัน มีธรรมชาติอันหนึ่งมารู้ว่าอันนี้เป็นสังขารมันพ้นสังขารเลยครับซึนะแล้วก็ถ้าเท่าฟังให้ตลอดนะจะพบว่าความทุกข์นะความทุกข์ที่คนเขาบอกว่าเราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เนี่ยแต่เมื่อเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยความทุกข์มีอยู่หรือว่าสังขารมีอยู่แต่มันไม่เป็นเราไงอืม mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ทุกข์เพราะเราไม่มีมีแต่สังขารส่วนเมื่อหลุดพ้นแล้วเนี่ยเท่าฟังดีๆนไหมัมนมี การหลุดพ้นเนี่ยก็คือหลุดพ้นได้เพราะเห็นเพราะรู้แต่สภาพธรรมะที่รู้ที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นบุคคลไม่ได้เป็นตัวตนนะแต่เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงเป็นสบัติภาพธรรมะที่พ้นไปจากความบงแต่งเพราะฉะนั้นการหลุดพ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราหลุดพ้นโยมเห็นเห็นอะไรอยังว่าไอ้ที่เป็นทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์และเวลาหลุดพ้นก็ไม่ใช่เราหลุดพ้นเพราะว่าเป็นเราไม่มีมีแต่ภาพธรรมะที่มีอยู่จริง เราว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะมันคืออะไรใช่ไหมเมื่อไม่เข้าใจธรรมะคืออะไรเนี่ยเสร็จเลยบอดก็เรียกว่ายัางไงก็เมื่อเริ่มต้นไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ผิดตลอดสายนะแต่ว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังมาลักหน่อยว่าธรรมะคือสภาพสภาพธรรมที่มีอยู่จริงมีอยู่จริงเออมันจริงยังไงก็จริงตามสภาวะอะแล้วก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เนี่ยถ้าเข้าใจอ ย, อย่างเนี้ถูกต้องเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะ พ้นทุกเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ที่ขณะรู้ตัวเองเนี่ยขณะที่รู้เนี่ยพ้นแล้วเพราะว่ามันมีสภาพธรรมะที่หลุดที่พ้นที่ไม่เป็นอะไรมีอยู่แล้วแล้วก็เมื่อเข้าใจตรงเนี้ยแจ่มแจ้งก็ชีวิตที่ยังไม่ตายเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยมีสติรู้ตัวอย่างเงี้ยมันก็พ้นพ้นพ้น พ, น พ, น พ, นพน้ต่อเนื่องไปอืถึงมันจะพลัดหลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรสภาพการพลัดหลงมันก็เป็นแค่สภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วมันก็ผ่านไป เนี่ยเรียนธรรมะนี่หลวงพ่อนี่จริงๆนะถ้าท้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ดีนะมันก็ต้องติดเหมือนกันติดเหมือนโยมจมพงอะไรคือมีเราเราเราเราเออเราไปเรียนเราเข้าใจเรารู้แจ้งในธรรมะแล้วเราไม่ทุกข์แล้วเราพ้นทุกข์แล้วเราเป็นพระอรหันต์แล้วมันเป็นเราได้ไงอะ่ะในเมื่อถ้าความเป็นจริงถ้าเข้าใจถูกอ่ะไม่ว่าในขั้นตอนไหนมันไม่มีเราเป็นหรอกไม่มีเราได้ไม่มีเราเป็นไม่มีเราเสีย มีแต่สภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วก็หมดไปกับธรรมะที่ไม่ปรากฏเอแล้วไม่ต้องหมดเงี้ยนะมันก็แค่นี้เองหลวงพ่อว่าน้ำจริงๆถ้าฟังให้เข้าใจเนี่ยมันสุดยอดแล้วเนี่ยลัดตรงๆเนี่ยน่าสนใจตรงนี้นะว่าที่ผ่านมานที่ไปเรียนมาหรือศึกษามาก็เหมือนกับว่ามีเราที่จะไปทําความมีเราที่จะละความชั่วก็คือมีเราที่จะรักษาศีล คือมันมีเราหมดเลยแต่พอมาศึกษาพิธรรมก็ไม่มีเราแต่ก็ในขณะที่บอกไม่มีเราก็มีเราอีกแต่ว่าความเข้าใจมันไม่ถึงจุดที่บอกว่าในเมื่อทุก ท, ทุกอย่างทั้งมวลที่เป็นเราเป็นสังขารเนี่ยครับพอเห็นความจริงตรงนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้นี่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสังขารไปหมดแล้วเนี่ยหน้าที่ของสังขารมันก็ต้องปรุงนะครับหน้าที่ของเหมือนหน้าที่ของของอกุศลหน้าที่ของความไม่ดีมันก็ต้องปรุงไปตามเหตุ ข, ของมันด้วยปัจจัยของมัน แต่วันนี้นะครับถ้าตุรู้หรือว่าหรือว่านิพพานธาตุหรือเรียกอะไรก็ได้มันมีสภาพที่รู้ตรงนี้อีกว่า อ, อสิ่งที่ปรุงไปหรือสิ่งที่เป็นสังขารขันนั้นครับมันปรุงไปก็ทําหน้าที่ของมานั้นเราจะไม่ไพยายามไปบังคับไปห้ามหรือไปไปกําหนดมันด้วยความเป็นไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นการซ้อนมาอีกครั้งหนึ่งปรุงปรุงซ้อนไปปรุงซ้อนปรุงครับก็เลยว่าเออเดี๋ยวนี้พอมีความเข้าใจชีวิตประจำวันนี่ครับ มันมีความเป็นปกติทุกอย่างเลยมันเหมือนกับความเข้าใจเรื่องศีลเป็นเป็นความเข้าใจเรื่องศีลอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นปกติของสังขารขันที่ปรุงไปส่วนวิสังขารคือสภาพที่ไม่ปรุงก็เป็นศีลอีกแบบหนึ่งที่ปกติที่ไม่ปรุงซึ่งความลึกซึ้งตรงนี้ น, นะครับมันยิ่งกว่าศีลที่เป็นข้อห้ามหรือข้อกําหนดคือไม่ว่าจะเป็นสังขารก็เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นวิสังขารก็เป็นปกติก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วแต่จะเรียกเลยชื่อยังไงก็ได้แต่ว่า ความเข้าใจมันไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วครั บ, รบสัญญาณไม่ได้ยินชัดไหมครับอ๋อชัดแ น, นะครั บ, ค, รบคือมีความมีความรู้สึกว่าวันก่อนนี้ครับได้มีโอกาสฟังของพ่อแล้วมันมีความมันอาจจะไปฟังคลิปเรื่องอะไรไม่ทราบแล้วแต่ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าการเริ่มต้นที่ผิดมือนกับดูแรกเป็นอะไผิดคือการเริ่มต้นที่ถูกนะครับมันเหมือนกับคือทิศทางที่ถูกต้องเหมือนเหมือนเหมือนเข็มชิ้นะครับที่จะชี้ทิศ ว่าสมมติมว่าเข็มนี้เวลาสอนแผนที่สอนอะไรทางบนมันก็คือทิศเหนือใช่ไหมครับถ้าถ้าเราไม่รู้ทิศนี่ครับมันเหมือนกับว่าเริ่มต้นยังไงถ้า ถ, ถ้าทิศผิดก็มันก็ผิดตลอดดังนั้นอาจจะมีข้อสังเกตว่าเออที่ผ่านมาเราไปเรียนเราไปเรียนรู้เราเอาตัวเองไปเรียนไม่ว่าจะเป็นสารพัดวิชากี่สาขาวิชาเอกเราแล้วแต่ก็เป็นเราไปเรียนเราไปเรียนเราไปเอาเอาตัวเราเข้าไปเรียนทุกอย่าง แต่วันนี้คําคําเกื้อกูลที่หลวงพ่อบอกว่าเรานะครับมันจริงๆแล้วเราไม่ไ ม, มีแต่ว่าการที่จะพูดอย่างนี้เนี่ยครับหลวงพ่อก็ได้เกื้อกูลอีกว่าใครล่ะที่บอกว่าใครเราไปเรียนแล้วก็บอกว่าเราไปเรียนแล้วแล้วใครมารู้เราอีกตรงนี้ครับมันทําให้บางคนก็ต้องยังไม่เข้าใจคําพูดแบบนี้อีกก็ต้องไปถามว่าบางคนเข้าใจว่าเออแล้วเราถูกรู้เป็นยังไงก็สงสัยอีกซึ่งตรงนี้ครับ ถ้าสามารถที่จะเกิดความกระจ่างว่าเออเราถูกรู้คือยังไงแล้วก็เริ่มต้นว่าเออที่ผ่านมาหนูก็เรียนมาเยอะแล้วสี่ห้าสิบปีเป็นเราไปเรียนทั้งหมดแต่วันนี้อ่จะขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ที่เป็นการเรียนอีกแบบหนึง่งแต่ไม่ใช่เราไปเรียนแบบเดิมๆแล้วเป็นการที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ที่เราถูกรู้หรือว่าการเรียนรู้ที่ไม่มีเราเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ครับมันก็ทาให้ให้ให้เปลี่ยนทิศโดยโดย โดยโดยโดยเป็นสมาทิฏฐิแหละในการเข้าใจพระธรรมนี้ครับมันก็เป็นเราเรียนหมดนะครับไม่มีมารู้เราแบบนี้กล่าวขอบพระคุณครับก็งั้นการสนทนาเนี่ยก็ต้องสนทนาเน้นแต่เรื่องตรงนี้แหละที่เป็นปฏิปฐานเนาะเรื่องรู้ตัวเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอสอนแต่เรื่องรู้ตัวเราก็เลยไม่ยอมรู้ข้างนอกนะ้รู้ข้างนอกก็รู้เหมือนเดิมมนแหละแต่ก็เพียงแต่ว่าให้รู้จักตัวเราด้วยให้รู้ตัวเราด้วย เมื่อรู้ตัวเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าผู้รู้ไม่มีนะเพราะเดิมอ่ะเราเป็นผู้รู้นะเดิมอ่ะเราเป็นผู้รู้เพราะเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่เมื่อมารู้เราปั๊บเนี่ยมันชัดเจนเลยตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปเมื่อตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยมันก็จะชัดเลยว่าโอ้มันมีธรรมชาติรู้อีกอีกขั้นหนึ่งที่มารู้ตัวเราได้และธรรมชาติ น, นั้นเนี่คือธรรมชาติที่หลุดพ้นนะ หลุดพ้นเพราะนั้นที่เราเคยได้ยินได้ฟังคำว่าจิตหลุดพ้นหรือว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจแต่ถ้ารู้ตัวเองเป็นมันจะเข้าใจเลยว่าอ๋อการหลุดพ้นเนี่ยคือเป็นอย่างนี้หลุดพ้นคือพ้นจากสังขารนะพ้นไปไหนอะคือมันพ้นไปมันรู้ตัวเรานี่แหละนะคุยบ่อยๆนะคุยบ่อยๆ ย, ยกตัวอย่างประกอบบ่อยๆจะเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจปั๊บเนี่ย ไอ้รูปแบบเนี่ยรูปแบบการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แล้วเพราะว่าจะเดินไปไหนจะทําอะไรมันก็รู้เราไปแล้วไงเท่ากับว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานอยู่ในตัวนะแล้วมันขยันด้วยนะมันขยันเหมือนกับว่าถ้ารู้จักตรงนี้แล้วมันขยันไม่รู้ขยันยังไงไม่รู้มันมันรู้ไปทั้งวันทั้งคืนแหละยกเว้นหลับกันแหละมันขยันคือไม่ใช่เราขยันแต่มันขยันของสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นอัตโนมัติไป